ส ง, สงบจากบ้านหนึ่งจิตอิ่มเอิมกเกษมสำราญหนึ่งจิตอธิษฐานเยี่ยมบ้านาศาสธาณหนึ่งจิตบุยบินไปถึงอินเดียจิตเคยอ่อนเพลียสูนพลันทันตาพลังจิตเข้มแข็งทั้งแกร่งทั้งกล้าพร้อมกาย กราบสังเวชนียสถานปัญจมทั้งสี่ตำบลมองคนมัน เรทไทยมนุษย์บริสุทธิ์ยอ่อกถวายพระพรสิทธิ์คติอาราชมาลพระนางสิริมหามายาพระพุท ธ, ธมานดาทรงเกษมสําราญพระยาสุโธธนะพระไทยเบิดบานมีพระราษ พาะโพธิสัตว์นิลกวันเพ็นเลือนหกก่อนพุทธศุก์แปสิบปีแล้วไปแกล้มบคตราชครุฑธานีกราบสถานที <c oughs> <c oughs> ่กราบสรูปมุนินตรู้เวลา มนทิ น, นตรัสรูอริยสัตมรมัตทิวินรมโคทารินกว่าเมรันรา ที่ยมทองปันจะบักที่เลื่อมใสทรงสแสดงธรรมไมยากกึกก้องโลกไกวันนี้จึงได้อริยะสงร มหานามเอ้ยรู้ชัดอัศจิเธอทูลทรงเริ่มทวีคูณ น, นับแต่นั้นมาแวดหมื่นสี่พันละพระธรรมมาคันมนุษย์พรมเทวันบัรญุกันทวานาข้ามวัตตาสงสารโคมยานโซดา มีมุนีอรหันต์มนุษย์โซสวรรค์นิพพานบันดดุลจวบถึงบัด น, นีีสองพันปีผ่านพ้นชาวพุทธทงคนเปกดตนประพฤติธรรมโออา น, นิัง วาตจังขาราสัพสัตทุวลาเกิดมามีกรรมมาเมืองกุศลาราแล้วต้องชอกช้ำัวอกระกรรมสาลลกวะโนทยานยอมายโลภกนาดพุทธอุหะหะันเสด็จดับขันธปรินิพานบัง ให้ปรุงสังขารว่าตนต้องตายดับทุกด้วยตนพ้นทุกขด้วยใ จ, จเจริญผิดพ้องใยจเจริญไ้พ้องกายเกิดทำสังเวทสงบจิตสบายพุทธบุตรเชื้อสายาโคตรมัโคตรดม